ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะบัญญายคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำไปปฏิบัติในทางเจริญจิตภาวนาทั้งเพเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เกิดความคล่องแคล่วแม่นยำในคำสอนเหล่านั้นเพื่อจะได้นำไปฏปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดซึ่งจะเป็นผลดีแห่งการปฏิบัติต่อไปการเจริญสกิทธพวนาหรือทำรรมสมาธิเพื่อให้จิตใจของเราเป็นหนึ่ง มีอารมณ์อันเดียวเป็นที่ตั้งเพื่อจะได้ให้จิตของเราไม่พุ่งส้านสงสัยไปในอารมณ์ต่างๆพอจิตที่พุ่งสร้างสงสัยไปอารมณ์ต่างๆย่อมทำให้จิตหมดพลานุภาพความแน่วแน่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเบาบางลงไปส่วนจิตที่ตั้งเป็นหนึ่งจะมีพลังอันสาคัญที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในธรรมนั้นไม่ไฝ่ฝ่ดดำรงตรงต่อคำสอนขององค์สมเด็จพระสรามมาธรรมพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่ได้ทรงสั่งสอนไว้เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเจริญทางกิจภาวนาคือทรรมสมาธินอกจากจะต้องมีอุบายต่างๆในการเจริญสมาธิแต่และข้อแต่และอย่างให้ถูกต้องตามครองธรรมด้วยและให้เหมาะสมกับจริต ของเราต่อธรรมะนั้นด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมีอุบายต่างๆเพื่อให้จิตของเราเข้าอยู่กับครองธรรมเพราะในวาระทางจิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันอารมณ์ที่มาเป็นอุปสรรคและอารมณ์ความที่เกิดความผ่องแผ่วที่จะให้จิตเกิดความสงบนั้นไม่เหมือนกัน ถึงแม้จะเป็นธรรมทางเดียวกันก็ตามย่อมเป็นไปตามความสามารถของบุคคลนั้น น, นอย่างไรก็ดีผู้ที่ภาวนาแล้วไม่สงบมีปัญหาผู้ที่ภาวนาแล้วสงบตามธรรมนั้นก็ไม่มีปัญหาผู้ที่ภาวนาแล้วไม่สงบมีปัญหานั้นก็ต้องทั้งเกตว่าการที่เราภาวนาเหมือนกับ ผูท้ ท, ท่านในรวมกันนี้แล้วทำไมยังไม่สงบก็ต้องพิจารณาออกไปให้เหมาะสมกับที่เราภาวนาเป็นต้นว่าความเป็นผู้มีสติของเรากับคำภาวนานั้นต่อเนื่องสม่ำเสมอแนบแน่นสม่ำเสมอด้วยกันหรือไม่ ถ้าหากว่าคำภาวนากับสติของเรายังมีวาระต่างกันหนักเบาไม่แน่แน่นสมามเสมอกันแล้วก็อาจจะทำให้ความสงบเกิดขึ้นยากว่าธรรมดาโดยทั่วไปเพราะความไม่สม่ำเสมอนั้นจะเป็นการขัดแย้งกันอยู่ในตัวนั่นเอง สติมีหน้าที่ระลึกได้และภาวนาคืออารมณ์อันหนึ่งอันใด ย, ยกมาภาวนาทั้งสองประการ น, นี้ต้องให้ความรู้สึกของอารมณ์สม่ำเสมอกันและมีสติมั่นคงอีกประการหนึ่งบุคคลที่ ภาวนาแล้วนั้นไม่สงบส่วนมากมักจะไม่มีอุบายในการทำให้การภาวนานั้นสงบได้คือหมายความว่ามีสติภาวนาเรื่อยไปสงบเมื่อไหร่ก็ได้เหล่านี้เป็นตน้นไม่มีอุบายแก้ไขในระหว่างทางที่จิตไม่สงบเลยนั้น ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความสงบยากมากยิ่งขึ้นความเป็นผู้รู้จักหาวิธีการหาอุบายให้เกิดความฉลาดเกิดความรอบรู้โดยเจความคือให้เห็นเป็นปฏิกูลมั่งปรองความเป็นไปแห่งความไม่เที่ยงบ้างและอื่นๆอีกนานาประการ เพื่อเป็นอุบายให้จิตของเรานั้นไม่เลื่อนลอยไปในทางอื่นเมื่อจิตของเราไม่เลื่อนลอยไปในทางอื่นก็จะเป็นเหตุให้เกิดความจดจาและตระหนักอยู่ในความสอนนั้นอุปมาเปรียบเทียบมันว่าถ้าเรา ขณะที่เราฟังคนเขาเล่านิทานเรื่องสนุกจิตใจของเราจะจดจ่อมากไม่ให้ผ่านไปสะ่คำหนึ่งหรือประโยคหนึ่งจะกาหนดรู้ให้ได้หมดเพื่ออยากฟังนั้นตรงกันข้ามกัดท่าการบรรยายวิชาการที่ลุ่มลึก ตื้นหนาบางไม่สมานเสมอกันผู้ฟังย่อมมีความตั้งใจฟังไม่หนักแน่นหรือไม่สมานเสมอหรือเกิดความรู้สึกว่าเกิดความยากบ้างอื่นๆบ้างซึ่งในที่สุก็เกิดความรังเลเกิดความสงสัย การสนับสนับฟังนั้นก็อาจจะขาดช่วงในขณะใดจิตเกิดความสงสัยขึ้นหรือในขณะใดฟังแล้วรู้สึกไม่ต่อเนื่องกันก็จะเป็นหนทางที่ให้เกิดการขัดแย้งความไม่สงบภาวนาไม่สงบเกิดขึ้นได้เฉพาะอย่างยิ่งการที่จะทำภาวนาให้สงบนั้น ต้อพิจารณาโดยแยกคายให้เห็นเป็นโส ข, ของโสโคกอย่างชัดเจนบ้างของหน้าขยะขยแยงอย่างชัดเจนบ้างของหน้าทังเวทอย่างชัดแจงบ้างเพราะฉะนั้นทศเ็ตพระสามมาสามผู้เผยเจ้าที่พระองค์ได้สดแสดงมหาตจิปฐานสี่คือการพิจารณ า, ากาย พิจารณาเวทนาพิจารณาจิตและพิจารณาธรรมที่จริงเรื่องหัวข้อก็เป็นอย่างเดียวกันแต่ก็พระองค์ทรงแยกหาอุบา ย, ยาต่างๆเหล่านั้นให้ละเอียดขึ้นบ้างให้เห็นปฏิกูลชัดขึ้นบ้างให้เกิดความทางเวชขึ้นบ้างและให้เกิดรู้ตามความจริงว่าทั้งขา น, นี้ไม่เที่ยง ร่อมแปรปรวนไปอยู่เสมอหรือเป็นอนัตตาไม่ใช่จัวจนดังในมหาติตปทานสูตรข้อกายารุปัชนาติตปทานในประพระตอนสุดท้ายคือนวสีที่กับทิวกาประพระที่ม่เชื่อเรียกว่าผู้เจริญจิตภาวนาเพื่อถอดถอนความคิดมั่นถือมั่นหรือถอดถอนความ สำคัญตนว่าสวยงามออกไปเทียจเศษกิจด้วยการพิจารณากายของคนเมื่อตายแล้วออกเป็นเก้าส่วนจึงเรียกว่านาวสีธิวกาปัพระว่าด้วยตอนที่รัตนะของคนตายแต่และช่วงในช่วงมีอาการอย่างไรที่ได้ทรงแสดงแล้วแก่พิสุจะได้เกิด จิตฝักไฟจดจ่ออยู่กับคำนั้นและเมื่อจิตฝักไฟจดจ่ออยู่สิ่งนั้นก็สิ่งนั้นเป็นปฏิกูลก็จะจิตก็จะเกิดปฏิกูลเห็นปฏิกูลนั้นจริงถ้าสิ่งนั้นเป็นที่หน้าสังเวชความสังเวชในจิตก็จะเกิดมีขึ้นถ้าสิ่งนั้นเป็นที่หน้าเบื่อหน่าย ความนายคลายความติดก็จะเกิดขึ้นโดยอุบายคำสอนที่แยกออกไปกระจายออกไปให้ละเอียดละออทีท่วนเพราะฉะนั้นในที่นี้จึงขอแสดงเป็นตัวอย่างในปัพระสุดท้ายของมหาเ์ปฐานคือกายานุปทานาปฏิปฐานที่มีชื่อว่านวากา ท, ที่วศีวากาปัพระ ว่าด้วยป่าช้าทั้งเก้าเพื่อให้เห็นให้เกิดความทางเวทให้เกิดความตรดความเห็นความเกิดความทางเวทความ เ, เกิดตรดนั้นยอมหยุดยั้งจิตที่ฟุ่งต้านได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อจิตหยุดความฟุ่งต้านแล้วก็จะได้พิจารณาสิ่งนั้นให้เห็นตามความจริ ง, งก็จะเกิดการเห็นง่ายถ้าจิตวนเลไม่แน่วแน่ ฟุ้งส่้านด้วยอาการต่างๆยากมากที่จะทำให้จิตสงบได้เพราะฉะนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าจึงได้ทรงแสดงความพิสดารของในปัฏฐนี้ให้กระจายออกไปโดยออกมเป็นก้ า, กาส่วนดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งบ <c oughs> ุณะจะประรังพิขเวพิขุ ด, ดูก่อนพิถุทั้ ทริระร่างกายนี้ควรพิจารณายังมีอยู่อีคือเมื่อทรีระร่างกายนี้ตายไปแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างย่อมมีอาการขึ้นอืดเน่าเขียวช้ำดำเหม็นพึงพิจารณานึกถึงอาการเช่นนั้นเมื่อนึกถึงอาการเช่นนั้นแล้วน้อมสิ่งนั้นเข้ามาในตัวเรา แล้วพิจารณาว่าอายามบิโคกาโยแมกายอันนี้เร่าคือตัวเราเอวังธัมโมคงเป็นอย่างนี้เอวังอนเนติโตไม่ร่วงพ้นอย่างนี้ไปได้นี่สรุปลงป่าชาที่หนึ่งป่าชาที่สองพระองค์ทรงแสดงต่อไปว่ากุณะจะปรังพิขเวพิขุ ดูก่อนพิสูจข้อจีควรคกอกัการพิจารณายังไม่อยู่อีกอันตรีระร่างกายตายไปสามวันสี่วันห้าวันแล้วเนื้อหนังมังสาย่อมฉีกเน่าเลือดไหลออกมาตามช่องฉีกเน่านานั้นเละเทะเปื่อนเปื่อนมาแรงวันตาก็ตอมและหยอดไข่ข้างทั่วจรีระร่างกาย คล้ายก็เปิดอยนหดสภาพคล้ายกเัเกือบจาหมดสภาพของฟารมเป็นคนลองพิจารณาถึงร่างกายที่เน่าน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกทางจมูกบ้างทางปากบ้างตามช่องที่แตกทะลุขึ้นมาบ้างต่างๆนานาประการก็คนมาเน่าแล้วก็จะมีกลิ่นที่เป็นปฏิกูลอย่างหนักคือเน่าเหม็น ความรู้สึกเน่าเหม็นในสิ่งอื่นๆบางทีเราก็ยังพอทนได้แต่พอรู้ว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันความรู้สึกเน่าเหม็นนั้นย่อมเกิดความจะอิสเอียนขยะขยงต่อกันเมื่อเราขยะขยงสิระร่างกายที่เน่าแล้วนั้นก็ลองหันมาพิจารณาตัวเราว่า เราก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันดังพระบาลีว่าอยามบิโคกาโยแม้กายอันนี้เร่าคือตัวเราเอวังธรรมโมต้องเป็นอย่างนี้เอวังภาวีไม่ร่วงผลอย่างนี้ไปได้เอวังอนาจิโตจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาป่าช้าที่สามพระองค์ทรงแยกพิจารณาว่า ปุณณะจะปรังพิขเวพิขุดูก่อนพิสูขข้ออื่นที่ควรการพิจนารณายังมี อ, อีกอันตรีระร่างกายตายไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาแล้วนั้นนานวานเข้าสัทั้งหลายมีแรงกาสุนักทั้งสุนักบ้านสุนักป่าต่างก็มาแทะเล็มเนื้อเน่าเน่าเหล่านั้นผสมกับหนอน ที่มแมลงวันหยอดไว้กลายเป็นหนอนตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่สั้นบ้างยาวบ้างเหลืองบ้างดําบ้างมีขนบ้างไม่มีขนบ้างสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นทุนักป่าทุนลักบ้านเป็นต้นแท้กินเนื้อเน่าๆเหล่านั้นแลหน้าทังเวทแลหล่น่าขยะขยงพร้อมทั้งความรู้สึกและกลิ่นเหม็นที่กระจายไป นึกถึงสภาพเท่นนั้นไว้เป็นอารมณ์แล้วนึกน้อมเข้ามาในกายนี้ว่าไอยามปิโคกาโยแม้กายอันนี้เราคือตัวเราเอวังอนัิโตเอวังภาวีไม่ร่วงพ้นอย่างนี้ไปได้เอวังอนัิโตต้องเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปป่าชาที่สี่ปุณะจัปรังพิขเวพิขุ ดูก่อนพิสุจข้อดีควรการพิจารณายังมีอยู่อีกอันตรีละร่างกาที่ตายแล้วแตกเน่าแต่ทั้งหลายแทะเดมกินนั้นต่อไปเนื้อหนังมังสาต่างๆข้อหมดไปมากเหลือแต่เอ็นกระดูกและเลือดเป็นเทือกที่ดำเน่าเหม็นมีเส้นเอ็นยังยึดอยู่บ้าง ทำให้พอไปเห็นล่างของศรีระแต่ก็ไม่ทมบูรณ์เห็นทั้งอวัยวะภายในของคนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อถูกทั้งหลายแทะเดมกัดกินดึงไส้ออกมาแย่งกันกินกัดอวัยวะส่วนต่างๆมีตับหัวใจปอดเป็นต้นมาแย่งกันกินซึ่ง เป็นที่น่าสังเวชอย่างยิ่งเมื่อยังมีชีวิตอยู่คนทั้งหลายย่อมหวงเหนสรีระร่างกายและตัวแต่งไว้เพื่อให้สวยงามแต่ในบัดนี้ไร้วิญญาณที่ไม่มีอะไรประคองดูแลแล้วย่อมเป็นไปสภาพที่ท่านสอนว่าต้องแก่เป็นธรรมดา คือธรรมดาอย่างนี้ต้องนอกระเบออย่างนี้ต้องตายเป็นธรรมดาต้องตายแล้วมีสภาพเป็นอย่างนี้ไม่พ้น อ, อย่างนี้เพราะฉะนั้นน้อมนึกพิจารณาเห็นสภาพของซากศพเห็นอย่างนั้นแล้วก็น้อมเข้ามาในตนเองว่าอายามปิโคกาโยแม่กายอันนี้เล่าคือตัวเราเอวังอนัตติโตต้องเป็นอย่างนี้เอวังภาวีต้องเป็นอย่างนี้ เอวังอันนันทโตไม่ร่วงพ้นไม่พ้นจากภาวะเหล่านี้ไปได้ข้อที่ห้าปุณณะเจปรังพิกเวพิขุนูกรอนพิสุข้อที่ควร ก, การพิจารณาอยู่อีกอันตรีรร่างกายทีตายแล้วสต่ทั้งหลายแทะเลมกินนั้นหมดไปมากเนื้อหนังหมดไปแล้วแต่ยังมีเอ็นและมีโครงกระดูกและส่วนเดือยจางบางส่วนเหลืออยู่อีก ทำให้เห็นเบื้องในภายในเป็นสิ่งที่โสโครกน่าปฏิกูลอย่างยิ่งหนอนบางพวกที่ยังเหลืออยู่ตายเข้าไปในกระโหลกศีรษะและ้วก็ออกทางปากบ้างลงไปทางรูจหมูกบ้างขึ้นมาจากเบ้าตาบ้างแทะเล่มหนังศีรษะ ทางเบื้องบนและเบื้องบ้างเรื่องบาง้าร่างบ้างออกมาจากหูบ้างทั่วท ร, รีร่างกายส่วนไหนที่มีเนื้อมากอยู่นอนก็มากส่วนไหนที่มีเนื้อน้อยเหลือที่กระดูกนอนก็น้อยลงทรีร่างกายย่อมทรงกลิ่นเหม็นกระจายไปทั่วบริเวณนีนึกน้อมอาการเช่นนั้นแล้วมาดถึงตัวเราว่าถ้าเราตายแล้วทิ้งไว้ ก็จะไม่พ้นสภาพอย่างนี้ตามคำบารีทิพิจ ว, ว, วะพิจารณาวายามโคเมกายโยแม่กายอันนี้เราคือตัวเราเอวังพาวีคงเป็นอย่างนี้เอวังอนาจิโตไม่ร่วงพ้นอย่างนี้ไปได้ป่าช้าที่หกุณน่าจะปรังพิขเวพิขุดูก่อนพิสุข้อจีควรการพิจารณายัางมีอยู่อีก อันตรีละร่างกายที่สัตว์ทั้งหลายกัดกินแล้วนั้นนานวันไปเนื้อเลือดก็แห้งหายไปเป็นคาบเลือดติดโครงกระดูกบ้างอื่นๆบ้างกินที่เคยเหม็นเน่ามากก็ค่อยลดลงสัตว์เล็กคือหนอนทั้งหลายที่เคยมีอยู่มากมาย <c oughs> ก็เหลือเป็นแต่นอนกระจุกเล็กๆบางสิ่งบางส่วนพอเหลือบ้าง พรสรีระร่างกายนั้นหมดเนื้อหมดเลือดไปมากแล้วจะมองทำมาเห็นมอง โ, อโครงร่างในภายในของคนเรามีอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นโครงกระดูกที่โครงเป็ต้นก็ไปเห็นว่างไม่มั่นโคงถาวรเลยในกายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรพอพ้นจากกดูกที่โครงมาช่องว่างขวาจะกระดูกขวาจะถึงกระดูก ฐานตะโพเป็นช่องว่างเหลือเพียงกระดูกท่านหลังเป็นที่กิวไม่น่าจะแข็งแรงอะไรเลยไม่น่าอยู่ได้นานเลยเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าสรีระร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่คงที่ไม่ถาวรมีความเกิดขึ้นและมีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปงสลายไปในที่สุดพิจารณาสตรีระร่างกายเห็นเป็นปฏิกูลเห็นไม่ครงร่าง ที่บอกพร่องไปส่วนมากแล้วน้อมนึกเขามาในตนว่าอายามโคเมกายโยแม้กายอันนี้เล่าคือตัวเราเองเอวังธรรมโมคงเป็นอย่างนี้เอวังภาวีไม่ร่วงพ้นอย่างนี้ไปได้แล้วก็มีสภาวะอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าใครทั้งสิ้นเมื่อทิ้งไว้อาการเป็นอย่างนี้ทําให้รู้สึกเห็นตามความเป็นจริง และเกิดความทางเวทจิต ท, ที่นึกถึงอาการที่ปฏิกูลและเหลือแต่ซากของร่างกายนี้จิตในขณะนั้นเห็นสิ่งที่ปฏิกูลจึงเกิดความทางเวทด้วยเกิดความขยะแขยงด้วยและถอนความ ร, รู้สึกต่างๆ ที่เป็นสิ่งพัวพันให้หน้าใครให้หน้าพอใจออกไปจากจิตใจด้วยทำความ ร, รู้สึกของตนเองให้เห็นในขณะที่เราถอนความ ร, รู้สึกในความยึดมั่นถือมั่นร่างกายก็ดีในความพึงพอใจก็ดีเราปล่อยจิตปล่อยวางอย่างไรแล้วจําอารมณ์นั้นไว้นำไปปฏิบัติในยามอื่นนึกขึ้นพิจารณาขึ้น จิตก็จะเกิดผุดขึ้นในภาวะเช่นนั้นอันเป็นเครื่องประหัตประหานนิวรและเมื่อประหัตประหานนิวร์ได้แล้วจิตก็จะถึงเครื่องฟาร์มสงบได้ข้อที่เจ็ดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าปุณณะจะปรังพิกเวภิกขุดูกนพิสูจน์อันตรีระร่างกายที่ทัศน์หลายกัดกินแล้วนั้น เนื้อหนังมังสาเอ็นต่างๆหมดไปแล้วเหลือแต่กระดูกระแห้งๆส่วนใดที่แห้งมากก็ออกสีขาวดุดสีสังกลิ่นต่างๆก็ไม่ค่อยจะมีแล้วเหลือแต่คราบเลือดแห้งๆในบางสิ่งบางอย่างที่ติดอยู่กับดินทำให้มองเห็นสรีระร่างกายในภายในอย่างแท้จริงเช่นกระดูกปลายเท้าทั้งสองข้าง กระดูแข้งทั้งสองข้างกระดูเขาทั้งสองข้างกระดูขาส่วนบนสองข้างและกระดูตัวพภกต่อไปก็เห็นกระดูส้นหลังที่ต่อมาถึงกระพกมีเป็นข้อขอเป็นป่องป่องและกระดูซี่โครงอ้อมมาข้างหน้าทั้งสองข้างคุ้มครองอวัยวะภายในไว้เวลานี้อวัยวะภายในไม่มีเหลือกระดูแห้งๆโค้งอยู่จนถึงกระดูหายบารา กระดูกปลายนิ้วสองข้างกระดูกแขนตอนต้นทั้งสองตอนล่างสองข้างกระดูกแขนตอนต้นสองข้างและกระดูกหายปลาลามาถึงกระดูกต้นคอก็เป็นข้อข้อป่องๆยังกระดูกไม่ไผ่ยังกระข้อไม่ไผ่ผุๆแล้วก็มาถึงกระโหลกศีรษะเนื้อหนังมังสาผมตัวนั้นก็หมดไปแล้วเหลือแต่สิ่งที่เป็นแต่โครงล่างแท้ๆฟันก็เหลือไม่สมบูรณ์แล้ว จมู ก, ก็เป็นช่องโหว่ลงไปตาก็โบวลงไปข้างในของกระโหลกที่ษะก็ไม่มีอะไรเหลือเป็นกระดูกแห้งๆเป็นโครงกระดูกแห้งๆเป็นกระโหลกที่สะรีระร่างกายเป็นโพรงเป็นชิ้นเป็นอันอย่างนี้อุปมาเหมือนในช่างผู้สร้างเรือนเมื่อเขาตั้งเสาขึ้นไปแล้วมุงลังคาแล้วแต่ยังไม่ตีฝา ก็ยอมเห็นคร้าวไม้จางๆที่เขาตีไว้ละเกะละกะนู่นอันนี้อันเป็นชิ้นเป็นอันเขายังไม่ได้ตีฝาก็เห็นโครงของร่างเรือนเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นอันนี้ชั้นใดสรีระร่างกายนี้ก็เหมือนกันยอมมีอาการเป็นท่อนเป็นชิ้นเป็นอันเล็กน้อยใหญ่ตามควรแก่ความเป็นไปนั้นเหมือนกันฉะนั้นเพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงทรงสอนให้พิจารณาว่าอายามบิโคเมกายโอมะกายอันนี้เล่าเอวังธรรมโมต้องมีอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังภาวีไม่พ้นอย่างนี้ไปได้เอวังอนาจิโตต้องเป็นอย่างนี้ป่าช้าที่แปดพระศาสดาตรัสว่าปุณณะจะประังพิขเวพิขุดูก่อนพิสุข้อที่ควรคือการพิจารณาตรีระร่างกายนี้ยังมีอยู่อีก คือสรีระร่างกายเหลือแตคค่กระดูกกระโหลนี่แห้งแล้วต่อไปเพราะเอนจิ่งต่างๆยุ่ยหมดแล้วกระดูกของหลายก็กระจัดกระจายออกไปกระดูกนิ้วเท้าทั้งสองข้างก็กระจายออกไปทางหนึ่งกระดูกหลังเท้าทั้งสองข้างข้อเท้าก็กระจัดกระจายไปทางหนึ่งกระดูกแข้งกระดูกแข้งทั้งสองข้างหลุดออกไปกระดูกเข่าก็หลุดออกไปกระดูกเข่าสะบ้าหลุดออกไป กระดูกขาส่วนบนก็หลุดออกไปเหลือจากกระดูกแท่นตะโพและกระดูกสันหลังก็หลุดออกไปเป็นข้อข้อเป็นข้องบองบ้องกระดูกที่โครงทั้งสองข้างดูเป็นชิ้นเป็นอันกระจัดกระจายออกไปกระดูกคอก็หลุดออกมาเป็นข้อง้องเป็นข้อข้อก็จดกระจายออกไปสรีระร่างกายกระจายเป็นส่วนๆกระโหลกศีรษะก็กลิ้งไปตามพื้นที่กระโหลกศีรษะไปอย่างหนึ่งกระโหกกระดูกไปอย่างหนึ่งกระจัดกระจายออกไปเป็นอย่างนี้ นี่คือนี่คือมนุษย์นี่คือคนทุกๆคนภายในเป็นอย่างนี้ตายแล้วทิ้งไว้เป็นอย่างนี้ที่ท่านสอนให้พิจารณาอย่างนี้ก็หนึ่งเพื่อให้จิตปล่อยวางอุปาทานและนิวรเพื่อเกิดความสงบไม่ให้รู้ตามความจริงว่าแท้จริงแต่ทั้งหลายเกิดมาแล้วถึงจะมีความเป็นไม่ต่างกันอย่างไรแต่โครงร่างเนื้อหนังมังสาภายในเหมือนกัน ตายแล้วทิ้งไว้ก็เน่าเหมนเหมือนกันและในสุดก็สลายเป็นไปอย่างนี้ไม่มีอะไรร่วมพ้นจากภาวะเหล่านี้ไปได้มีสภาพเป็นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระตาจดาจึงสองในให้พิจารณาดังดังกล่าวมาปาช้าที่แปดป่าชาที่เก้าอันตรีระร่างกายที่ผุพัง ออไปเป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นเป็นอันดังได้กามาแล้วนั้นพอนานไวัวันวันไปอ น, นิจังความไม่เที่ยงยังไม่หยุดยัง้งแม้สตรีระร่างกายตายไปแล้วแตกไปแล้วสลายไปแล้วก็ยังไม่พ้นความเป็นอ น, นิจังคือกระดูกทั้งหลายต่างก็าหากักไปท่อนๆเป็นชิ้นเป็นอันท่อนใหญ่บ้างท่อนเล็กบ้างนานวันไป ก, ก็กกกกนนผุพังจากกระดูกชิ้นใหญ่ๆเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆนานวันไปก็ผุพังจากกระดูกชั้นเล็กๆเป็นกระดูกชั้นละเอียดนานวันไปกระดูกที่เป็นชั้นละเอียดก็ผุพังเป็นผุยเป็นผงเป็นฝุ่นเป็นละอองเป็นธุรีลมพัดมา ก, ก็ปลิวไปตามลมบ้างฝนตกมาก็แทรกซึมไปในแผ่นดินบ้างสูญจะหายแต่หลายสิน้นอันเป็นรูปร่าง จากสายตาของคนทั้งหลายในจัตว์โลกเป็นอย่างนี้ท่านสอนให้พิจารณาถึงความถูกที่นี้ไปว่าอยามปิโคก迦โยแม้กายอันนี้เล่าคือตัวเราเองต้องเป็นอย่างนี้เอวังภาวีคงเป็นอย่างนี้เอวังอั น, นิีโตไม่ล่วงพ้นอย่างนี้ไปได้แต่ท่านหลายท่างปวงที่ว่าเกิดมาแล้วย่อมทิ้งร่างไว้ทัดผมแผ่นดินย่อมทิ้งร่างไว้ประดุษ พ่อนไม้ที่ไม่ใครมีใครอยากเลี้ยวแหลหาประโยชน์อะไรไม่ได้จรีระร่างกายเป็นอย่างนี้ที่สันทร์นห้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นส่วนเป็นสัตว์แต่ละอย่างนี้คือให้จิตจงใจเจตนาจงใจพิจารณาในส่วนต่างๆนั้นจิตเมื่อจงใจพิจารณาแต่ละส่วนละอวนยิ่งละเอียดลงไปเท่าไหร่จิตย่อมปราณีตและไม่มีกังวลเรื่องอื่นเพ่งดู เพ่งพิจารณาอยู่ในส่วนต่างๆของจรระร่างกายนั้นเป็นอันเดียวจิตก็จะเกิดความสงบขึ้นได้บางทีเป็นนิมิตเกิดเห็นอสุภะในตอนใดตอนหนึ่งก็ได้ทำให้จิตนั้นกาหนดอสุภะได้ครั้นเมื่อจิตกาหนดอสุภะได้อารมณ์ต่างๆที่เคยพึงพอใจที่น่าคลายน่าพอใจ สิงเลนั้นก็ถูกทำลายไปด้วยอทุพะกรรมฐานดังกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนผู้เจริญจิตภาวนาในคราวใดที่ยังไม่มีอุบายอะไรทำใจให้สงบกาพึงพิจารณาตรีระร่างกายของคนเราที่มีการป่วยแก่เจ็บตายหรือาอาการใดใดก็ตามมาทิ้งไว้ต้องมีสภาพเป็นต้องมีสภาพเป็นไปอย่างนี้ในประเทศที่เบต คนที่ตายแล้วเขาใส่โลงแล้วถึงเวลาแล้วเขาจะหามไปที่ภูเขาแห่งหนึ่งไปกันมากมาทีเดียวพอถึงบนภูเขาแล้วเขาจะเปิดโลงขึ้นแล้วเขาจะมีแตร ى. มีชายคนหนึ่งมีแตรยาวทีเดียวแตรนั้นทาด้วยกระดูคนเป็นป้องๆๆพอเขาเป๋าแตรขึ้นแรงทั้งหลาย ที่อยู่ในบริเวณนั้นได้ยินเสียงแตรก็นึกว่าวันนี้เขาอาหารมาให้อีกแล้วต่างก็บินว่อนในนาภาอากาศแล้วก็โฉบลงมาลงไปที่โรงที่เขาเปิดไว้แล้วนั้นต่างแย่งกันกินชุนลมุนวุ่นวายดึงไส้น้อยไส้ใหญ่ออกมาบ้างอะไรได้บ้างเขานิยมทําอย่างนั้นเขาโดยถือว่าแรงนั้นเป็นประดุษเทพเจ้ามารับเลือดเนื้อดวงวิญญาณ ของคนตายแล้วให้ขึ้นสวรรค์เป็นอุบายอันหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเขาให้เห็นว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ก็ดีตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์ทำให้เขาบรรเทาความทุกโศกต่างๆนานาประการรงได้บ้างแต่ความไปจริงแล้วกิริยาที่ทำในเบื้องต้นประเพณีน่าจะเป็นคณาจารย์ที่มุ่งทางสอนทางอสุภกรรมฐาน ให้เห็นตามความจริงอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งให้เห็นตามความจริงว่าเมื่อ ย, ยังมีชีวิตอยู่อย่ามั่นใจอย่ายึดมั่นถือมั่นในสรีระร่างกายว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวเรามากเกินไปถือพอเพียงกลางกลารักษาสรีระในความเป็นไปเพื่อให้ประโยชน์แก่กันปฏิบัติธรรมและเพื่อประโยชน์ในความเป็นอยู่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ให้เป็นส่วนใหญ่จึงรวมความว่าในกายานุปัชนาเตติปฐานที่สอนไว้แต่ละหมวดต่อตอนถึงหลวัประพระนั้นโยกมาเห็นเป็ น, นส่วนๆเช่นลมหายใจเขาออกก็ทรงเหมือนกับชี้แจงให้เห็นว่าพึงดูคนช่างกลึงเวลาเขากลึงเขาชักกลึงบางทีเขาชักยาวบ้างชักกันบ้าง โยาวยจรผู้ปฏิบัติธรรมพึงมีสติหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกก็รู้ท่านนํามาเป็นข้อเปรียบเทียบเหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นทารีระร่างกายของบุคคลทั้งกลารปตานี้เป็นอทุภะกรรมฐานการพิจารณาถึงอภุพะกรรมฐานนั้นเพื่อตัดราคะเพื่อตัดนิวรกามฉันและเมื่อกามฉันหมดไปข้ออื่นก็หมดไปด้วย เพราะความทางเวงเทความโทรจิตสิ่งอื่นๆก็ไม่มีเึีงทำให้เกิดความสงบขึ้นความสงบในจิตอาจจะจดจำไว้ได้นานบางทีเขาอาจจะมีนิมิตเห็นอตุภักกรรมฐานในตอนใดตอนหนึ่งหรือเห็นกระดูกบ้างเห็นกระโหลกที่สะบ้างเห็นส่วนนั้นส่วนนี้บ้างในขณะที่เรานึกพิจารณ า, านั้นตอนไหนที่รู้สึกว่าขยะขยแยงที่สุด บางทีก็ไปเห็นแบบนั้นแต่เห็นแล้วพึงรู้ตามความจริงว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นไม่ใช่ผีสางที่ไหนมาหลอกมาหลอนเป็นธรรมที่เป็นส่วนอสุภะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ถ้าส่วนที่เห็นที่พิจารณานั้นเป็นทุกข์เป็นโทษพระองค์ไม่นามาสอนแต่กลับเป็นคุณให้เห็นตามความจริงเพื่อดับนิวรณ์เพื่อหนักดับวิตกคือการมาวิตกออกไปเสียได้ดังนี้ ควรพิจารณาไว้บ่อยๆเพราะจิตของคนเรามักจะฝักไฟไปกับอารมณ์เหล่านั้นเป็นพื้นฐานและอารมณ์เหล่านั้นเป็นพื้นฐานคือกามาฉันเป็นต้นก็จะทําให้อกุโสรธรมรมความกิเลสอย่างอื่นยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นกิเลสอันใดเกิดขึ้นแล้วก็แก่กล้ามากยิ่งขึ้นจึงทําให้จิตตั้งหมองมากยิ่งขึ้นมีโอกาสทําไม่ดีมากยิ่งขึ้นดังนี้เพราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไป พึงตั้งใจพิจารณาดูให้ดีให้กระจา่างให้เห็นว่าสิระร่างกายของเรานี้เป็นอย่างนี้อย่ายึดมั่นถือมั่นแต่พอไว้เป็นเพียงกลางๆชีวิตจะมีอยู่ใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์หน้าที่ในการคลองเรือนหรืออย่างไรอย่างหนึ่งก็ตามหรือหน้าที่ในการมาเพ็บุญในการปฏิบัติธรรมก็ตามอย่าปล่อยชีวิตที่ยังมีโอกาสอยู่นี้ให้ว่างไปเสียจากเปล่าประโยชน์ พึงยังประโยชน์ให้เกิดมีขึ้นในไหนจรีระร่างกายทุกเสียนทุกอย่างยอมอ่อนแอและขัดข้องตลอดจนตั้งอยู่ไม่ในนานในช่วงที่ไม่นานนี้พึงยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาด้วยการพิจารณาเจริญจิตภาวนาให้เกิดขึ้นอันจะเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลต่อ น, นี้ไปพึงตั้งใจท่านรวมจิตพิจารณาแล้ว เพ่งดูพิจารณาดูหรือภาวนาพุโทโธไปอีกเขาได้ถ้าหากว่าทิ้งอารมณ์นั้นย้อนไปหาอารมณ์พุโทโธเพราะในขณะนี้จิตกำลังอยู่ในความสางเวชก็จะเกิดส ง, งบมากขึ้นต่อ น, นี้ไปเพิ่งตั้งใ จ, จเจริญภาวนาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป